ท, ะละละ ท, ทำเจรจาลาสมบัติได้ขอเพาะทาหมดเนี่ยเมื่อผู้ใดเห็นอริยาจะทำจึงสี่นี้แล้วผูวนั้นเลยเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยาจะทำนี่แล้วจะรู้เท่าไดก็ตามยังทันในชัดนในความโลภใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยาัดนี่แล้วคนนันเห็นธรรมยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้ จะยือเอาอะไรล่ะมันไม่มีไรายได้ทักอย่างคิดโดเนี่ความเกิดเนี่ยฮัลความแก่เป็นทุกข์ธรรมวัดถึุเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดจะในทันของมันดาจะเป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมัเนเขินแน่นี่เมื่อเทวแกจลาคำฆ่า ความสมุดชุดชนลงไปทุกีบแลกกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองล่ะ น, นี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาพาดาโลคา่าเนี่ยกองทุกเนี่ยกินเข้าไปนี่คี่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมระกำเส้นแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ ในโลกอ่เนี่ยคนทั้งหลายแล้วไม่ได้ติจเดนาคนคว้าคนขวายจะออกในทุกข์นี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายอดหาสักหาศักด์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเสียไซสั่งโน่นต่างนี้สร้างตึกสรางลานสร้างบ้านสร้างซ่องอืเนี่ทํำนี้เขาก็หาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่ทราบท่านละ ท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มีอัฐาบรรดาศักดินื้อทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอเนื้อทุกข์ไม่มีทัพย์สมบัตินั่นเรานี่ท่านไม่ได้ว่าทุกข์มีทั้งของปัญญาพิจิกขังในจะจัง พิฆเวยดูก่นอนพิชิตถ่ายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกนันดับเคลื่อนใดเียอธิบายมาแล้วชาสิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราดุขาความเท่าแก่เป็นทุกข์พยาธิยุขังความเจ็บไข้ในพยาธิเป็นทุกข์มรณะพิยุขังความตายเป็นทุกข์นี่ละความทุกข์นี่แหละสิ่งเหล่านี้น่ะมันมีแล้วประจําอยู่ลูก ทุกลูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะดำจะดำจะขาประการใดก็ตามก้อนอนี้เป็นอย่างนี้อรูปอันนี้เป็นอย่างนี้นนนไม่ว่าเป็นแปลงใดย่างเอ่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกอื เมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วน่ะอะมันปวดที่ศรัทาเข้ามาหรือปวดนึกก็ตามนี่พระธรรมเป็นเตือนว่ า, ว า, ามันเป็นของเร า, รารเเ ม, ม, เมันเป็นของเราได้อย่างไรเล็งๆดูมันล่มเห็นแต่ว่าเป็นของของเราว่าศรัทาของเราว่าศรัทธาของเราทําไมเป็นอย่างนั้นอทาไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชา เมื่อเป็นเทนนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อภาสนี่โรคข้างายเกิดมาแล้วสําคัญเราไม่มีโรคหมอเขาบอกมาโรคมาจากยุง ม, มาจากนอนจางนี้เป็นโรคนอนอันนี้อ่าไม่ใช่ในคําสอนท่านบอกไว้ท่านโรคประจําอยู่มัดที่มี้ตัวเหล่าเนี้ ทุกคุมขนเหตุในว่างั้นละจะคู่โรคตาโรคในตาตาก็มีโรคโสตาโรคหูก็เป็นโรคโรคในหูขานโาโรคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคเขี้วหาโรคโรคในลิ้น เลี้นก็เป็นโรคกายโรคโคโรคในกายกายจะมีโรคมโนโรคโครคในหัวใจหัวใจจะเป็นโรคเนืเจ็บหัวใจแน่นใจหัวใจโตเลยหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วเจ็บโดแทะหัตถโรคโคโรคในมือมือก็เป็นโรค พาทะโลโกลงในเท้าอถูกนั้นถูกนี่มือนี่กันด้มือมือฟอกงอ น, นมืจะไปทำแม่ตกอกาะนั่นตัดปาดเจ้าของเลือดไหลอ่ะงอนแทนไหมหโลกนั่นะเห็นไหมถือเจ้าของนั่นล่ะพาทะเอิญเนี่ยโลโกลงในเท้า เยสาโลโคลงในผมเยราผมมันจะรุดจะร่มคันใช่ไหมล่ะน่นักขาโลโคในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคฝันโยกฟันรอนแรงกินน่มีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคผิ้นไหนมีโรค มังสังโลโคโลในเนื้อเนื้อจะเป็นโรคเจ็บกลับเนื้อขัดตรงนอนปดตรงนี้หนะรุโลโคโลในเส้นอเส้นมันก็เป็นโรคสิครับเดีว่ามีแต่โรคเพราะว่อาทิโลโคโลในกระดูกนี่ที่ไม่สังโลโคโรกในเนือกระดูกนี่่ะพิ่เจรนาโดยแท้มันมีตลกเมื่อในตัวของเรา จะหาทีนี้ไม่มีโลคไมนมีแต่มันมาทันระบาดขึ้นมาแต่มันมันแต่มีมโลคอยู่แล้วประจําอยู่แล้วทุกเป็นขนอืมเ <Yeah. S 2> hey, น, นี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื่อโลกเป็นโตโลกอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลก อ, อยู่ในโลกกันแน่ล่ะเหตุ <Yeah. S 2> hey, นั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ ทันวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสถร์ชนาไให้เราสลายมาพิจารนามันร่วมันเห็นทำทัจธรรมของจริงเนี่เมื่อเราทัจธรรมของจริงสี่อย่างแล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกหน้าสังเวชรดใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนมมนมีที่ได้ พอเราได้นั่นได้นี่ไม่มีอะไรทั้งอย่างนี่เรื่องไป น, นั่นไอ้ น, นั้นพระพุทธเจ้าสอนสินสมาธิปัญญานี้อเมื่อรักษาสินแล้วนี่คือเรามีภัยไม่มีเวรเป็นผู้ส่งลมกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัย ไ, ไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกจากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรา มันไม่มีศีลมันเคยเกิดเป็นโลกเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เทีท่ยวอืม <c oughs> เตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆกระเตืน <c oughs> อนฮะยืนไปนานๆกระเตือนเดินนานๆกระเตือนนอนนานๆกระเตือนทุกกริริยาบทฮะคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟัง อ่ากองทุกข์ก็ไม่ฟังเลยนั่งไปนั่งไปวดตรงน้นตรงนี้พิกไปนี่พัดเพี้ยนเรื่ อ, ไอยไปพัดไปเทา่านานไปนานมันก็หมดอเป็นอย่างนั้นอืมนอนไปนานกระทุกเลยแหละอาจจะว่างเละ่ะใครจะนอนได้สลอดวันนอนดูสินอนได้ตลอดคืนนานทุกข์นอนไปตรงนี้นอนได้แมดพลิกนนไปข้นางนอนก็พิกไปข้า ง, งนี้ อนี่ทุกขั้งมดัดคีอว่าไงเดินไป น, นานๆคำว่าเหนื่อยวทุกข์อยู่แหะนี่ยืนยืนไม่ได้นานคำว่าเหนื่อยว่าทุกข์อยู่ะนี่คื อ, ว, อว่าไงล่ะมันมีได้ทุกข์ทั้งมดัดจากอกควมทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์น้ำบาตรทุกทั้ทงหลายต่างๆมีแค่ตัวของเราในตัวทุกข์ฮะ น้อยใหญ่เท่าไรสตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววานาคือแถวนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยแถวนี้ล่ะอเบื้องบนเพลงซีซ่าเราเบื้องต่ำตั้งเส้ลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังซุดทางหลังทางซ้ายซุดแขนซ้ายทางขวาซุดแขนขวาตั้งหน้าตนหน้าอกมัทนิกรีมณฑลกองทุกข์ทั้งหลาย นี่ท่านเลยวางทรรมวินัยไว้ตรงเนี้ยศาสนาก็ตวางไว้ตรงเนี้ยมรรคผลก็วางไว้นี่มดนรกก็วางไว้นี่มดถ้า เ, เราจะได้มาเลิกเ่นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมัน่นคือมันตั้งมัน่นตั้งเที่ยงตั้งคงแล้วมันไม่หวั่นไหว ในโลกก็ทำทั้งหลายเป็นของเพียนแท่มันไม่ได้แปรผันอยากง้ายแต่น น, น้นแต่นี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมัน่นพูดถึงปณิพานฐานไม่ได้พันท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศเือตั้งใจมัน่นธรมาธินี่อันเนี้ยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร สังขารความปรุงความแต่งใครเปนผู้ไปปรุงไปกอ่อภพก่อชาติกอ่อกรรมกอร่อเวียนก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ไปล่างเราเป็นผู้ไปกอ่อเองนี้แหละปัญญาให้เรารู้ในกองสังขารจึงได้ออกปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนี่เป็นทุกข์ไปกอ่อภบก่อชาติก่อกรรมกอร่อเวียนก่อภัยอนาต่างๆไป นี่เมื่อเราไินแล้วอบรมในี้ก็รทำน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมี่ใครอยากจะคนไอ้นี่ล้ออมันจะเป็นเลยเป็นนอนเป็นนี่จะได้มีน้มีย ก, กมียาธนูบำลมันบำ ม, มันกันแบแหวนของพญามานเหล่าขันธ์ามันกิเลสธามานอาภีสังคารมามันมันจุมา น, น่มานทั้งหลายมาสีเนี้ย ของบามลุงมันกลับมาอยู่ตามอี่บังคับบัญชาของใครท้งหมดแล้่องแบบอย่างนี้เห็นนั่นอย่างนี้พากันพิจารณามันรู้เลือกเพ้นจึงนตายนีสจึงเกิดมีแล้วใครผู้เกิดเมื่อเราค่อนพ่อและวครบแล้ ว, ลวเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะ ความแก้มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พระญาติไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะนะก็จะนั่งสมาธิมันเที่ยงอยู่คนเดียวนี้ลนะ่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วกัแก้แก้แล้วก็บเจ็บเจ็บแล้วกัตายตายแล้วก็ทุกข์โยเวียนวนอยู่แน่แล้วตาสงสารนี่ไม่แล้วจะทีจะตีซับตีกันนานนานจะชาบมาแล้ว สิภพสิชาตมาไปห่วงอันนั้นห่วงอันนี้คือคนยิงอ่ะรักอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่ว ง, ค น, ววง ค, นวคนนี้เป็นนั้นเป็นนี่เฮ้ยเราไปผูกไปพันอ่าเอาตายตายหนีไปลอยแาบนี้หรว่าอะไรไปกล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวอ่าตายที่นั้นใครจะตายน่ะ เกิดใครจะเกิดน้าแน่ตายสั่งหัวบํามเพนคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกดีกว่าตายในห่วงเราตายนอกห่วงเดะดิฮ่าควาดีหรือควาเพนคุณงามความดีนี่จะได้ถูกไปพันมันเป็นกระติกของเราเราไปปุงว่านั่นเป็นของเราอ่นนี่เป็นของเราเอยลงน้ำมันเฮือยไงที่ท่านก็เป็นของเราเงินคํา ของของเราผ่าพรันจะไปเป็นของเราตึกล้านังคานเป็นของเราลูกล้านเป็นของเราเปล่าทั้งนั้นแหละเอ๊ะยับข้อมาอใกล้ตาของเราหูของเราสมุกของเราลิ้นของเราคางเราใจเราอ๊ะไม่ใช่เลยบุญลูกเขาต้องจะเป็นเราของเราไงเล่าเพิ่งไหได้อืมตวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นนั้เป็นของเราตาเนี่ยจะมันมัวไหมล่ะ อย่างนี้มันตึงไหมล่ะจะโมกูกตอนนียสังขารร่างกายยัางมันเจ็บมันปวดไหมล่ะอย่างมันร้อนมันเย็นไหมล่ะอ่ามันของเรามันยิ่สบายไปไหนล่ะไม่ใช่นี่เออทีเจมาจะไปหลงลูกนี่ขันลูกนี้ลูกพยามารขันธามานขันธมานนธมานก็ไม่เช่อื่นลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธามารลูกก็นั่งอยู่นี่แ เวทนากต่มันความสวยสุกสวยทุกนั่นแหละเนี่ยสัญญาความจําความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความโล่น่ะซึ่งอันนี้เป็นมารท่านบอกมานไม่ได้มาทุกฝ้าอากาศในปาน่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแตามานกลัวอะไรมารในที่ไหนนี่เนีมีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แ คุณได้ท่อมีใหญ่กันเหรอโอ้คุนั้นมานแล้วว่ามันออกของนันค้นเนี่มันไงล่ะเห็นมไ่ะขอาไในกองปุ้งๆคุณนั่นมันแล้วนะมันออกมาแล้วมันคนไม่ใช่เหรอเนะ่ยค้นนี่แล้วเป็นมานเออเนี่ยขันธรรมานเนี่ยขันธรรมากลุ่มขันนี่แเนี่ยของมุขกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมาน แล้วพิจนานณาจะไปหลงมาเทหลงมานเท่รูปมันในของสมเดจคาถาธรรมเท่ารูปปันมันในจังเนี่ยพลูปไม่เที่ยงพิจารณาไปเท่เทนาในจ่าเทศนาก็ไม่เที่ยงเอาสิเอาแรงงานดับท่านเห็นไปนอย่างนี้สัญญาในจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังฆาในจ่าสังขารดังหลายความกลมความแตงก็ไม่เที่ยงทั้งหมด วิญญาณนั่นอันนี้จังวิญญาณกระเทียมมอได้นก็เป็นอย่างหนึ่งกระตินอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้อ่เราก็ต้องมาเลิกเพลินมอเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะลอกสองอีกรูปธรรมนาตาจึงได้ไม่เที่ยงถึงนั้นไม่ใช่ตัวตัวนาตาสัญเวทนานาตาสัญญานาตาสังขารนาตาวิญญาณนั้ตาไม่ใช่ตัวตนของบิด นี่เราต้องแก่้งคิดเจตนาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทําไมเป็นไปเพื่อผ้าทำไมเป็นไปสบเพื่อภยัยทําไมเป็นไปเพื่อความแก่เรียไผ่ความตายนี่นะครับมันมเป็นตัวตน่นั้นนะครักันแก่งเรื่องดูเจี่ยมาพิดเจตนาหมดนี่เจี่ยเราจะละสะกายสีนี่วิกิจกาความสงสัยเสกแพงในโลกในโลกนี้มันเปอย่างนี้เห็น เวลาพัฒนประมาทเนี่ต้องลุกคำว่าเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี่ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องรูกคำว่าชิ้นอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้ทำไม่ต้องลุกคำเนี่เห็นจริงแจ้งกระจักในตัวของเราเลยอืออย่าเห็นเนีคือกันยิงเป็นนั่น่ะอบปวดที่ซานเราเหนื่อยกันตากแดดร้อนเพ้อเอาเป็นงานเนี่ยแอบไม่ใส่แล really right. ้วเราก็ต้องเห็นจริงแจ้งไปจักเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วธรรมะธรรมสอนเป็นธรรม เราจะลงเนี่ยไหมในรูปกันนี้เราจะลงเนี่ยไหมในโลกกันนี้นกกนนแท่งโลแทะอ่ะนี่กราฟของนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมละ่ะยังมีหลงอยู่ล่ะธรรมะมันเตือนเราลุยมันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิแลวมันดีก็เป็นลึกกระดวงเห็นไหมล่ะหันของเราไงล่ะนี่มออธรรมะกระปุยนี่ยเห็นมไหมละ่ ะ, ล, ะ, ะ, ะ, ะ, ล, ะ, ะลุกไปมากันยา่า อ่ะเห็นไหมมืดนั่งมัเห็นน้อยตอนงงงงเม็ดมลบมดอ่ะกังทุกเม็ดพานุ่เห็นเอาตอนนี้อยจิ้งนั่จริงนั่งดูมันงแทะเขาที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันร่วมันเห็นอื๋ยหมายฟังแล้วอ๋อกานั่งเข้าไปช่างอ่ามจะทุกมืทุกนั่งดูมัจ๊ะ ไม่นานทักสามสิบนาทีลองดูแค่เขาได้ก็าเต็มมันก็ถึงไงโน่มเห็นมันอย่างอาฟังมันแน่นอนเราไปจริงตไม่จิตทุกตายจริตไหมอะไรมันตายแล้วก็แพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วเคยภาวนากับพิจารณาเลือกเพื่นดวงใจของเราอสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วแล้วเขานั้นนุกุทธโธธรรมโธสังโฆแล้ว นับตางับตากระเพนดูายของเราดูกายของเราเรามีตัวนี้เกิดมามีกายกับจิตคนนี้เอกายนี้ก็เมื่อวิญญาปราศจากแล้วนี่จะทั้งว่คลิงคลัง่งเหมือนกับถอนไม้ถอนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างไมันจึงแก่นเป็นสาลเดี๋นี้วิญญาออยังคอ่งโยพูดจาปลาไัย์ไรก็ได้ทํำไรก็ได้ เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อคลอดไม้ทำอะไรไม่สักอ่างปากมันก็ปากกระทะหูเออหูมันก็หูกะทะมันมีอะไรสักอย่างอืมาูนั้นหูก็มีคนไม่ไม่เฉยๆของกระทะเห็นคนร้อยันยังไปอนี้เราคือกัน่ะตาก็มันตาไม่ไผ่ง้นไม่ใช่ได้ในสักอย่าง แล้วก็แพง่งแรงดโดยแต่ต้า็ไม่มีไรวิญญาณปราศจากแล้วแข่งค่าทีมเมืองมันก็ไม่เปลียนอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยๆอไมอ่คุ้ยไม่ค้างเลยเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี่นนเรายังแข่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพบนใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามอยจรกุศลลูกปลาลูปาวจรถามภพนี้กามภพตัวประภพตัวประภพอืม แผนเดินดในภพนายล่าการมาพบทัพย์ท่องเที่ยวในวันต่างๆการมาพบในภพเนี่้สันโด่งอยู่ในการมาพบคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยแบ่งเป็นสองในใจและสมองแล้วก็ไปอวัยวะภูมิคิดของเราของสายเกิสักกามาวิจารสวรรค์หน้าพิจารณาเพืออธิบายมาได้ภพเนี่ย เกิจ๊เจ็บตายเป็นทุกข์น้ำมาเพ่นคิดเจนายอยู่ในรูปทําไม่ส่งไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี้่เองเป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรทักอย่างมันก็ว้างพอคิตวางจะรูปแล้วมันเหลือแต่รูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่ก็ไปสั้นรมนันคือมันว่างนอดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอเรื่องนั้นนั้นเป็นไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่ตีารไม่เสี่ยงแล้ว ก็เลิกกันละจริงนะนั้นก็ไปพันิพานได้อืนพบทั้งหลายในเที่ยงได้นี่ะความยึดถือมั่นของเราเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันต้องคํานึงถืออดีตนะคอดเราก็นอัตัวจะแน่จิตของเรามันเป็นทุกเป็นทุกข์มืดแล้วมันสว่างให้ดูสึ่งที่มีอยู่อั้นอืมย่างมันเป็นทุกกันเป็นทุกข์อันนั้นที่เป็นของตอนจึิงนะเนี้ยไม่มีใครสร้างให้ทําให้ เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฝั่งโอเคมีเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้จะไม่ทำเดือดร้นอนวันตั้นคนทำธรรมเดือดรน มันก็โลุ้วมันก็เห็นได้จิตใจของเรามีร่ะให้พากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ในจิตในใจของเราขอสําคัญอืมถามันไม่กลัวเรื่องอะไรละมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมกลัวเรื่องอะไรกลัวตายคนทั้งหลายไม่ได้อินดาบก็กลัวตายเท่านั้นล่ะเออไม่กลัวตายมันนี่ก็กลัวล่ะเออก็ตายนั่นแหละ โกกตายอย่าไปโกมันไม่โกกตายค่อนตายเนี่มันไปจําอยู่แล้วทุกูทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนกตายอ่าต้องมีสีสีกตายมียัดกตายไม่มียัดกต่ายสูงก็ตายต่ําก็ตายดําก็ตายขาวกตายอ่าตายหมดลอกกันนี่อ่าไม่มีเหลือนั่งมีตายหมดเท่านั้นเองเฮะกูได้ยิไม่ตายล่ะมาเอาเขอ นี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตา ย, ยานี่นะความตายเรารีบคนควายกิงจจติตอนนำตัวของเราไว้พากันแข่งที่เจรนาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทางหลายพึ่งไม่ได้เอาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เอาน้ำโปชนาหารก็พึ่งไม่ได้ สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้รั้วล้านสังคารก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านล้านตลาดก็พึ่งไม่ได้เทศชาติก็พึ่งไม่ได้เนี่ยอะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราเราต้องยึดต่อคุณพระพุทธเจ้านี่คุณประธรรมคุณปานิสงเนี่ยเป็นหน้ที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุผลใดยังว่างั้นในธรรมคำสังสอนทันนี้ง่าไว้ในสัจ กิริยาขาถาอแบอบกนัดที่เมสะระนังยันที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม น, นี้ น, นัดทีแต่มันมีทั้งวัดในสามโลกนี่พึ่งไม่ได้ในว่าแต่โลกนี้่ะพึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็เพึ่งไม่ได้แหงขาหูตาจมูกของเราเหล่านี้ก็พึ่งไม่ไดนรวมใจของเราก็เพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียว เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะในวางศาสนาไลเอาเป็นสานะที่พึ่งเราจำยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสานะที่พึ่นเป็นบรมโมโคเป็นศาดสดาผู้ที่แจลงแสดงพ้นทางผู้นําออกจากทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสานะที่พึ่งของเราอันเนี้พระธรรมคําสั่งสอนแปดหมื่นสี่พันธรรมะขันนี่เป็นที่พึ่งของเราเตอนเนี้ย นี่พระอริยสงสาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่เพึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคลาที่ฐานในน้อมก็ามาในธรรมาธิฐิฐานแล้วอันเป็นตัวของตัวเราพุทธะพุทธกิตแต่ผู้รู้ถ้าราไมมีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่าง มื่อพิจารนาโดยที่พุทธะแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึงได้หมดตัวเราก็พึงได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึงได้พ่อแม่ที่น้องก็พึงได้เอาของเงินทองพึงได้ตึกร้านนังคานก็พึงได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึงได้พึงได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ละพาก็ได้ยินได้ฟังได้น้อมเมื่อเรามีความรู้แเราพึงไงได้เมื่อพึงไม่ได้สักอย่าง นี่ล่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วเพ่งไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะคนตายพิจารณาดูทีเพ่งไรได้สักอย่างตัวมันก็เพ่งไม่ได้ตัวนึงก็เพ่งไม่ได้อ่ามันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับ่อนไม้นี่ตัวของเรามันเป็นอย่างไงถ้าเรามีพุทธะแล้วเราเพึงได้คือความรู้ยังมีโยงมันเพึงได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่เพ่งของเรา เราได้ทําไว้กินได้เราพึ่งได้เราไม่ได้ทําไว้กต่พึ่งไม่ได้อยากได้แตไม่ได้เราไม่ทําไว้อลัก้านเราทําไว้แล้วอยากอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทําไว้แล้วมันเป็นงานในนั้นเขาจะเขาจะจะสอนไว้อืถ้าเราไม่ได้ทาดํ no 是是 okay. าแล well, ้วอยากได้แตไม่ได้หล้วเพราะเราไม่ได้ทํ า, าไว้คือเราเกิดมา is เน like ี่ยแล้วใครก็ยังมั่งมีสุกอยากสวยอยากงามอยากมีพระมันนาศ จะเป็นเศษรษฐีข้าบรีทนานใครอยทุกข์อยากจนอยากค น, นข้าและไม่ไทําไว้แหละมันจะได้ยังไงละ่ะาไม่ไสร้างไวไไ้ทําไว้หลายพบหลายคาดมาเนี่ยจะยังไงทันยังว่าใน ม, มงคล น, นาคาถาเอ่อมนบอกไวไ้วเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่นญญานับอกปฏิรูประเทสวะโสจโกักภกเกตตาติงตาตาสมาปณีชิตจะเอตมังครมุตมัง เราได้เกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีอันนี้ประเทศสมควรเราเกิดมานี่กระด้วย ไ, อไอกลบุพเพกตาปุญญตาบุพเพกรราเมกกราปุญญาตาซึง่งบุญกุศลกระตังได้กระทําไปแล้วตอนนี้ที่จะได้ตั้งตนที่ชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคารมุตตะมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ได้ตั้งตนที่ชอบลแล้วเราไมประกอบคิดในที่ดีแล้วไม่กระทําไว้อ่ะ มันจะได้อย่างไงล่ะมาบันเนี้พากันให้รูปให้รูปศึกกันนึกกันลายอ๋อทิ้งทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทํามามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็ซิ้งเจรนาอย่างเนี้ยเราจะได้เป็นคนหมันคนขยันอย่างแต่งานอือนนี้การที่เราเกิดมานี่มี่ตระหนักรู้สามในแคนั้ น, หนแหละตะวันเนี้ย พากันหาจะไม่ยึดตยอนนี่มีสามในทเนี้ยในหนึ่ต้องการโคขคาดสมบัติวัดภูเขาขอเงนินทองมามากๆพากันหาไม่ได้ยึตยอนนี่ทำไ ม, ไม่ได้สมความมากๆจากนาของเราพากันหาจะไม่หย่ไม่ยึดไม่ได้อยูนี่หาทรัพย์หาสมบัตินี่ในสองต้องการลูกสวยๆนำงามอายุยืนนานในน้โลกขัง ม, มีไพ จะพาตั้งต้นตันต้งโต โ, ตโอนนต้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนะเนี่ยคอยจะได้ล่ายังไม่ได้ทางความไปสงของเราใ น, นสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไ ป, ไปเล่าไปเรีอนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความเฉลาดเพื่อให้มีสติปัญญาทําไมไม่ได้สมความมุ่ง ม, มั่นกล้าหาญล่ะบางคนเนี่ยก็นเหตุได้มันขาดปัดจจัยของเราด้วยทำไม อันนี้สงเกิดมานีนทรัพย์สมบัติคือเราได้สร้างไว้เราจะทาบุญคือพระพุทธเจ้าเนี่ืมมีทานมีศีลมีภาวนานะมีทานี้นนเนี่ขอปฏิบัติผลทานจะออกจากคุกคือทานการให้เลิการกระละเลการบริจาคแลาจะทาบุญทํากุศลทาคุณงามความดีไว้อันนี้รจะติดต้นนำตัวของเราไปสุขภักดิก์สุขภาพ เนี่ยถ้ากันเช่นพิจารณาด้วยเช่นนี่ยไม่ใช่เป็นของคนอิ่นที่เราให้ทานเราเน่ยทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือถ้าไหนทานตั้งแต่อเงินกัญหาตาเลยให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างกัจะนาเซียนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานเขาให้หมดเจาะตาตอนเจอควักให้ท่านบอกไว้เจาเลือดเนื้อเขาจะเสียให้ ทูตจะให้รับทา น, นท่านฉลาดโดยฐานะปาราเมียนั้นคือเมื่อท่านได้ทานแล้วท่านไปในพพใจขาดใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไมจนในวอดไม่ยากด้วยบุญวัดสนามท่านได้สร้างไวง้่ไปงา น, อ, น, นอันนี้สองการะจะตั้งการลูกสวยลูปงามอันนี้สองการรักษาจิตรักษาจิตไม่รักษาอื่นรักษาตายรักษาวา จ, จาใจของเราให้เรียบร้อย แล้วแม้กระทําโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจเราแล้วคนเรียบร้อยไม่ทิศคนทิศการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่เลยนี่เกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในพพใดสาติใดก็าตามนี่ทัานวางแล้วอย่างเนี้ย่แล้วคนทั้งหลายไม่ยรักษาเลยศาสตร์ศีลาางา น, นอยากนักยากหนาคนจะรักษาตัวของเรา หลักคาถึงไม่หลักษาอื่นนลักคาตัวงเราไม่ทําบาปทํากรรมไม่ทําโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนเอละอายหรือคนกตัว น, นั่นถ้าเราทําบาปทํากรรมแล้วกรร ม, รรมนั้นเราเกิดมาแล้วกรร็ไม่เป็นคนหนุ่ยสวยแค้เพราะกรรม น, นั่นมาประหัตประหารเราเอาเราได้ทำไมแล้วกายของเราไม่รักษา ว่าจางเรามารักษาจางเรามารักษานั่นก็เลยนเป็นของงามเจ้แล้วรักษากเขาจะสงงามนี่อันนี้ตรงนี้แหละผู้ได้สองการแล้วก็พาการรักษาเอาตวของเราไปรักษาบุคคลนอินเนี่ยพาไปในพึ่งลูกพึ่งกอดใจอันนี้สองการนี่ว่าเกิดมาในสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านสอนในภาวนานภาวนั้น สพระไหวพระแล้วกับนั่งสมาธิภาวนา พ, มมพุทโธตมโมสรังโธพุทโธพโธเราเลือกขึ้ือนมันกับปัญญามัเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงภาวนานแล้วแต่เนี้ยเพราดในภาพใดภาบุญวัดคณะของเรามีในปัจจุบันนี่แต่กล้ามาแล้วแต่พวกก่อนศาสตรก่อนมาเราทําปัจจุบันนี่ก็สํระแสในปัจจุบันนี่ปัญญาแต่กล้าคน น, น, นนั้นมีปัญญาสายมีสอความภาวนาเ น, นี่ย คอยสาคัญอย่นั้นอย่างพาตังนถึงลูกถึงก็อใจข่อปฏิบัติต่อไปเมื่อาพากันจำไว้อันนี้ทรงเราทํานี้ไหมไทําให้บุคคลเอินคือให้ทานนั่นเองแตเป็นของของตอนนั่นก็พุทธเจ้าใครแย่งกิงกันไม่ได้เมื่อพญามันจะมาทําลายท่านท่านก็บนีนึกถึงเอินนึกถึงทานนะปรมีนึกถึงทานพญามันนะั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้อ่างานคนนี้เพิ่งเขาใกล้ทำไม่ได้ ของนังเฉยเกาะกรมสละมาแล้วปเป็นบาทอาข้าจองเรีนทุกสิ่ทุกอย่างไม่มือันนี้ต้องรวมระวังเรียร้อยแล้วอันนี้มีโพดน้อยใหญ่เป็นผู้บริจิตแล้วทางกายทางวัยใจาจทางท่านตอนนี้เจ้าสยามัม น, นะเขาใกล้ไม่ได้ชกจะหงุดจะฟันหนักจะฟันกระบองจะฟันกับเป็นดอกโบวิขามดัดยิงปืนออกไปเป็นดอกไม้มนัดนะ อนุเสธธรรมันนะก็นําพ่วงตายไปหมดอนนืเห็นไหมละ่ะเนื้อหนาขุนวัดนางพัดเนื่อเราทั้งหลายจะทําบุญทํากุศลเน่ก็บเป็นอนุสอนอนุสาวารีเป็นเสืเล็กเมือม่อภัยพุทธามก็มาเราจะนึกถึงบุญทำกุศลเนื้อถึงคุณงามความดีเนื้อถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเปลี่ป็นมาประใหมเหมือนกันมันมืดเนี้ยเอาเชืไปขึ้นแล้วมืดก็หายไป นี่แห้ะนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเย็นใจแล้วไม่มีพัญายบาตรใจแล้วไม่มีความเั่วาทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มย้มแจ่มใสพุทโทสว่างสวายล้านีหลายพากันตั้งายแล้วเรือ่องเนี้ยว่าไงล่ะกระจายไหมอธิบายฟังแค่เนี้ยนต่อไปจะฟังธรรมมิจะฟังเทศไม่เทศไม่ฟังอ่ า, อาตอนนี้ไปฟังธรรมว่าเน่ ฟังทำเจ้าก่อนอานั่งย้ายๆขึ้นมาห่างกันหน่อยมันคือนะเคฟังทำไมล่ะมันจิตวาณเออออจิตวิญาณนั่งะไปห่างไปได้นั่งเตะเข้าไาก็ได้นั่งจอกันแท้มันนั่งย่าเดินมันนี้ก็ได้แตว่างล้ว่างเนี่ยนั่งทางกันเนีเอานั่งเอาคือเอางาเอามาบุญได้เอานั่งเคยนั่งไม่เคยบวชไหมกรนันเฟังเน่ยเคยนั่นอะ มาไปบวชเมือคืนเนี้อ้าวม่เอาเลยอากาขวาจกันนั่งมาเล่น้าอืมอ้านั่งเล่นมาโกนวางนั่งสบายอ่านั่งขับแทบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาข้าขับขาท่ายเอนั่งสะทบาทยันดีอ้านั่งสบายเอาขาขวาทับขาท่าย่อเนะ่มือขวาขับมือท้าย เออเอนั่นเอามือขว้าวางเงี้ยขับกันปอกหัวกุมมือจูกันนั่งสบายแน่นั่งโเคนั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายน๊อะในั่งจะมีที่จานเคะให้อนั่จะให้นรืงสบายที่จานนั่งสบายนั่งขาใดสบายก็นั้นอห้นั่นสบายที่กันที่กานอะไรนั่นแหละไม่รับเอาได้ขาขานี่ขาเดขาไว้ขับไม่แล้วก็เดไว้เดไปก็น่าขึ้นเดียมั้นี่ เล่นอะไรก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาก็าหักขาเรเงนินรัวไวนออ้นั่งสบายนกนัง่ ง, งสบายวางขาวางขางสบายมือคว้าทับมือไส้เอามือคว้าทับมือไส้ไหมวางทับเนี่ยเอเอนั่งสบายสบายวางขาวางคางสบายสางผ่าเปิยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายไรเสแล้ว วางดูดูสบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคัดรงไหนมันยังครอตรมไหนมันยังคาดตรงไห น, นดังดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วอห้ต่อไปอให้ลึกขพุทธึงพพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจนึกถึงพระอริยสองสาวกอยู่ในใจเขื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นนึกคำภาวนาว่าอย่างนี้ พทุ lens, พโทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเป็คำเดียวพุทโธพุทโธคำเดียวนับตางับปากจ้านับตา้างับปากจ้าให้เลึกพุทโธในใจให้เลึกก็เือตาจะให้ตลื่นนะกระดกกรดก กเกือก็เฉยเฉยเนี่ยไอ้เลึกพุทธโธอยู่ตรงไหนลราอยู่ในจิตของเราจิตเป็นผู้เลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทธโธพุทธโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่เลึกพุทธโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกดพุทธโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่ะตัวเราเนี่น่ะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหลืมีทั่ว อยากรู้จักเอี่างนี้คือพ อ, อ, อกว่ามันเงินสวยร่างบาปอันนี้คืนจะลางอานอกจาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีแต่อย่างไรจิตเราพุโทธโธพุทโธจิตมีจิต ด, ดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยัยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเ <c oughs> ย็ยนอกเย็ยนใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่นไม่วายไม่เดือดร้อนสบายเบาตนเบาตั ว, ตว เบาล่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดว เ, เนี่ยนำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบือนหน้าดูจิเป็นยังไงไหมของเราเดี๋ยวนี้เราพาทันใจอยากซ้ำอยากรวยอยากชุอกอยากสบายมันชุกมัน ส, มสบายไหมล่ะเคยตีหมายฟังไหมล่ะตางคนตังเส้นดูเท่เนี่ยมันโล้เท่คำมันมืมาเตออื่นคนชั่วทั้งหลายนี่จิต เ, นะเป็นอกุศลเป็นยังไงจิตไม่ดี เองว่าไม่ดีนี่อยู่ที่ไหนล่ะความคิดเราไม่ดีจิตทะยอทะยานน้นทยานนี่จิตวุ่นวายเด็จิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเดือดร้นอนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายจิตเจรนาดุเทนัน่ ง, งง่วงเงาเขานอนทุกข์ยากนี่จิตดวงนี้แหละนำซัดทางหลายตกทุกเดียกจะสงสายอะไรล่ะพองเราอมันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อย่างนี้ มันไม่อยอตอนไม่ภูเขาเรากอนในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะอ่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความทุกขที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะจปหาความดีที่ไหนล่ะอ่านที่เจริญนาดูแท่จะไ้หาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีล่ะเทียบประมาประใ ม, ม่เหมื่อกับคนนะ่กันมังม่วงต้นไม่ดีจะลูกมันจะหน่ายล้า เนี่ยนี่ค่อตอนบนตอนกุศลตอนคุณงามความดีคิดเนี่ยเป็นต้นจังหวะบุนและบาปซึิงใดใจของเราถึงก่อนอ่ถึงเวลาเราจะมานี่ตใจใจเรามาถึงก่อนหัวงเราดีแต่บ้านใจมาคิดมาถึงละอ่าแต่งานแต่ั้นเราต้องให้โลดบนและบาปเชิงใดใจถึงก่อนมันสําเร็จจกโดมใจอ่าแต่ ง, งานท่านคิดเจรนาดูสิมันดีสมความเราต้องการไหม จะอะไรมาดีมาใจแล้วไม่ดีแล้วมาใจแล้วไม่มีแล้วใจอะไรมามีล่วใจแล้วมีวความสุขเจ้าวความสุขมาจากไหนล่ะอ่าอะไรสุขไม่ใช่ประตูกกขอเงินทองสุขเขาน้ําโขลนานสุขใจแล้วที่เป็นสุขทุกข์ก็ได้พใจเราสงบมั น, นมไม่วุ่นไม่ไวายอืมเนี่ยพิจารณาดูแต่ตาไปตทางคนต่างเพศเล่นดูแต่เห็นนอกเป็นภัยนออกหั ว, วใจย่าน ต, ตัดูนั่นมันตัวอะไร หากทำเร็มโดจะเราไปนึกเกาตัวมันก็ะตัวจะไปนึกนันไปนึ่งใจเนื่อไงมีเสียงอะไรก็ตามรู้เสียงนั้นเั็นเมียกลายแล้วทำไมต้องเดือดร้อนวางใจมาสบายสบายเนี่ยอยากทุกข์อยาสบายบุญนันใด้เล่าทาบุญกุศลเทาพันยทานร้อยหนพันหนุกับพระอนุสงฆ์ที่เท้าร่างสมาธิภาวนาเนี่ยในเท่าอนุสงฆ์นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไ้เม่อหลายชาติเป็นเง็โด เราคำนี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตับุญคือเป็นยังไงตับุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่เป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวที่มันทุกข์นั่นะมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละไม่ยึดถึงพื้นดินเพาอากาศบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นแหละ สวรรค์นี่ก็นั้นไม่มีที่เอื่นพากันเช่นคิดเจรนาด้วยแค่นำทาแล้วก็ น, น, s, <S นําไปเมื <tengo S 2> ่อใจเราเป็นสุขทำแล้วก็นําความสุขความเจริญให้ในก็จือบันในเบืองหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นํำสิ่งไม่ดีมาให้ในก็คือบันในเบืองหน้าเมื่อใจทุกข์นล้วก็นำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่โซัวเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ลายพากันเช่นเดินโดี่ยวไถ่เช่นแบบนี้ไม่ใช่เทวบทเทวนาสร้างให้สิ่งมณฑลมทำให้เราทำมาเอง เกิด้นมาเองเวลาเนี้เรากากันให้คอยสงบนี่คือสาคัญอย่านั้นถ้าตั้งเจ้นเด็นพิจารณาม่รก้บางคนังี่ยวเป็นกรรมอันนั้นกรรมอันนี้กรรมมันจะมาอาจะที่ไหนเราพระพุทธเจ้าวางไว้ในไตรยมงคนปถาทั้งหงเนี่ยกายกรรมวาจีกรร ม, มโนกรรมน่กรรมเกิดจากนี้ กายกรรมกรรมเกิดจะกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจะวจางเรามรรโนกรรมกรรมเกิดจะดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไมนมีแล้วมีกรรมมันดีเวาจีกรรมของเราก็มีแล้วมันยังเหลือแต่มรรโนกรรมมันที่ความนอมนึกแล้วเลิกกันใดอยู่นี่กรรมและสกรรมที่กรรมนั่นเป็นของของตอนมิใใจเป็นของของไทยเป็ของของตอนการยานว่าปาพระกลางวา สัตทายก็จะตืดเราจะทํากรรมบันดได ไ, ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาศเราจะรับผลของกรรมสืดไปะเราทําไว้เป็นบุญนรืเป็นบาศเราจะรับผลของกรรมสืดไปจะไม่สือย่างไงเล่านี่เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญาเนี่ยคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสวา่างสวยเย็เยนอกเย็นใจ มันไม่ทุกข์ไม่เงี้ยเนี่ยวุนไม่วายไม่เดร้อนอันนี้แล้วกรรมดีเนี่ยพิจารณาโดยเท่มันอยู่ที่หมายล่าะพาตะตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์เงี้ยวุ่นวายเดดร้อนกลุมอบกลุ่มใจนักง น, นุ่งง่วงเงาห้อนอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมของมชั่วพิจารณาโดยเท่มันอยู่ที่เ น, นี่ย กรรมเรานี้ไม่ได้เกิดจากตนไม่ตูเขาเรากอในป่าในดวงในบ้านในเมืองถนนคนทางมันเกิดกระจใจขอเรานเองอ่าตอนนี้ไปตั้งคนตังเส่งเลงดูหัวใจของเราอ่าม่นานทาเทไรอ่ะสักสามสิบนาทีาลองดูเแค่อ้าวนี่แหละบุญอะไรเท่าเรานั่งภาวนานี้ยนี่เราดูใจเราได้เรามานี่เราอยากได้บุญอยากไปปนนกด้สืบสอนเราอยได้ความสุขความเจริญทําอะไรก็ตาม แต่ไดความสุขความเจริญนันเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาทุกข์มาเจรนิญอ่าเป็นเริ่นดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขมันนําความสุขความเจริญให้ น, นุ่งสึกเบาตนเบาตนอ่าอิ่ม อ, อกอิ่มใจดีออกดีใจแน่ความพึงพันอ้าวเต็นเริ่มดูแต่แตาอยากดีอือจะล้างบาปล้างกรรมในเหมือนจิตเจริญนขากรรมนี่ที่ไหนมันนกรรมความหนำเ น, น, นื้อนี่ นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเล่าสงบกรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตัวนี้มันจะไปปรุงไปแปง่งเพราะจิตคนนี้มันจะไปก่อกรรมกาเวียนก่อภัยอะไรสักอย่าง น, นิ่งใชมันว่างหมดนั่นมาจําอย่นั่นกรรมเกาม่าก็ะวัดกรรมใหม่ก็ะวัดแตนี้มันไม่หมดกรรมเพไม่ไปปรุงไปแต่งยิน่ันไปปรุงไปแปง่งก็ไม่หมดก็ทีที่กรรมใหม่กรรมเกา่าก็ยังกรรมใหม่ไปต่อเรื่อยไปอยู่อย หยดกี่ตื้วางกี่ตื้อละกี่ตื้อจะไปต่อจะไปรุงไปแต่งก็รู้ใจของเรามันได้กอพกกอกาชาติที่ไหนแล้วก็เพ่งเลนโดเติพระเวพระวสัมภวันติมันเชื่อต่อพวกแน่นอ้อยใหญ่ๆอย่เนี่ยแล้วก็เพ่งเล็ดมันโลดไปไหนไปก่อที่ไหนล่าไปนา่า็อกหรือไปสวรรค์นอกก็หมายใจเราทุกข์บทสั้นสวรรค์ก็หมายใจเราทุกข์ความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์ ใจเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์นั่นเองใยเรามีความทุกข์อยู่มันก็เลยพ้นนเออ่าไม่ใช่อื่นอื่นทุกข์ใจเราผุดทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผูดตุอ่าสั้งขานร่างกายมนมีอะไรตายแล้วเขาก็ไเผาไฟขึ้นมีมีประโยชน์อะไรสักอย่างตอนนี้หมายตามคนตามสงบไม่ยินไดฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาอะไรทิ้งนั้นนเนียนตระลายเราไม่จังเด็อดร้อน ส็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสวายใจปองสายนี่อยากได้อย่างนั้นไม้ใช่รึป่าตายจะไม่ปฏิบายมาฏิบายนจิตใจยังทันทลายมาฟังดูเสียงอ่านไม่ไคนตั้งใจของเรามันเป็นชุกแล้วมันเป็นทุกข์มันโลนะใครจะกคุมไปแต่งเอาอย่างแต่งััน สบายสบายเร <c oughs> าทุกอันจะไปนทุกนึกยากนึกอะไรเนี่ยนึเยนะนนกเอทมันโล้ต่ไปพากันเท้นเล่นโดเนี่ยุณงามความดีของเรากับคําชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเท้นเล่นโดมันโล้เห็นความเป็นโยของเรา พากันจะลับยากรวยจริงไหมไปสอนมีพานเป็นไงมีตกนรกไปังไงมีต่อไปจะได้ให้พรจ้าพากันตั้งใจรับพรจ้าอันนี้ทาบุญทานเอิดผาการรับพรแล้วปรดน้ตายของเราทิศนิมกุศลแงแครก็แล้วาแงศักดหายพนี้กำจะให้พร ยะหาวะยะห้าตัวลาตายวเอ็นิ้าหึโตถนนางเตตานั่งโมกขาตาจิจิตตังบะิตตังหรือหัจิตตเมนิเตเตสเปตตัวเรนตัวสังก็ต้องเป็นโทเปนอรโยยะถามอนี้โคจะาโยะถาเเตรียวค่ะเปเตทยาสเปเตอันตลายสเปตถ้ว่า สะตยเตทุนเนีิตาสัตยเตอวมังคราปนสัํตุอายทาโกธนวัตาโกสิริวัตาโกนิวัตาโกสินวัตาโกวันวัตากโกสุขวัตโกที่จะไปทางอภิวาเนเสร็จะป็จังว่าพาไปจายนโนชะตาโรธรรมารนติีอายุกโนยุตตางอัจ นะเงีย้ยติดอะไรยาดม เ, เนี่าดเลยตาติเภาวนานกรรมของเราหรอนะั่นแท่งทิชเร์นะยาไปกันน็ลนดล์ทำลมหายใจสบายสบายนะดูลมหายใจของเรา เราจะไปกดไปกัน้นจะมาวางให้สบายาวางว่าไม่ใจเป็นของสบายก็ทำใจใสบายแล้วจะสบายยังบอกแล้วเนี่ใจเป็นของเย็นลมเป็นของเย็นก็ทำใจมันเย็นใ้สบา ย, ยบอกมันกนทุกข์จะกนทุกข์คือคิดล้าไม่ทุกข์นั่นหละพิจนนนารณา ลูกทั้งหลายเราเนี่ยมันไม่ใช่ตวัวเตนันแต่ลูกฟังนิจังเวทนานิจาสัญญานิจาสังขลานิจาริ่งานังอนิจันมนเที่ยงทุกอย่างยิ่งแต่เนี้ยลูกฟังนนตาเวทนานาตาสัญญาณตาสังขลานาตาวิ่งานั้ง น, านาตาวิ่งานทั้งหลายในเที่ยงทั้งหมดดับมันหมดเสียไปนะับคุณผู้ช หนี่งสองหนึมันก็ไม่ได้มันเราเคยเกลี้ยกล่อมสมองคลึกนห้มันรู้ไว้าังไม่ใช่ของเรามันบอกแล้ว รถมันเอา้าปวดลงไปขาดลงไปคืขา ด, ขา ด, ขาดานั้นเราภาวนาเพื่ อ, อาตายเนียมันจะตายยัยงไงแล้วจะตั้งอยู่บนไดล่ะมันจะตีไว้มันจะแดงไงทุกทีๆไิตายยิ่งกว่านี้แต่นนี้จะตู้ไม่ไหวแล้ว อ, อ, อ่แล้วอเอ่ไอย่นี้ยเ่เป็นได้เหรอั หยิบไปเจรณาก็าตีมันไม่ใช้ตัวเร า, GE, Mark, like ามันเป็นยินแต่เพราะว่าทุกคั้งอานิจังหน้าตานี่เขาว่าเราก็ว่าทุกครั้งอานิจังหน้าตามันเป็นยังไงวะอานิจังอืมเพื่อสืนวตามน้ำเขาว่าโอนออมันจังแข่จังคาหยิบเจรณาโอเขาว่าอานิจังอนิจัง เพราะอันนี้จังนี้จังมันไม่มั่นไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงสิได้สังขารร่างกายงานของเราเนี่ยเราต้องน้อมก็เพ่งทิศเวลนาดู <c oughs> โอ้อันนี้จำดูสิได้เอาแต่มันจะ เ, เป็นได้เนี่ยเออนี่เอนเพราะว่าอนนี้จำอนนี้จงมันเป็นอย่างนี้เที่ยงเคลื่อนเป็นอย่างนี้่มีงานของเราก็ดีสังขารร่างกายเราก็ดี กินอะไรทั้งหมดในเที oh, so ่ยงกินอย่างนี้เองไม่ใช่กืนไก่โอ้ป็นอย่างนี้เองแต่นี่จังไม่ไหวนี่จังให้โลูกเราเชื่อนั่งอันนี้โอ้กิน่นี้เอาไม่คนหลงทุกขั้งล่ะแล้วก็เป็นทุกกินอะไรในเที่ยงกึงนั่นกินทุกโอ้ทุกอย่างนี้ทุกจริงจริงนี่ไม่ได้หลอกลวงใครพระพุทธเจ้าเทศน์นะกินอย่างนี้ทุกจริงจริงเด็บเรานอนเชื่อโอ้ทุกจริงจริงอันี่ย อ่าเป็นอย่างเนี้ยขังไม่เมด็ดนําตัวนําตนนั่นที่ว่างนี่คือทุกข์ทางนั่นเสื้อเงนันอนนี้อนาตากำไมอนาตา้าโออันนี้เองตัวอนาตา้าอนาต้าคือแปลว่าไม่ยึนในบังคับปัญชาใครสมมติโตเราก็ไม่ยังแล้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเป็นคนนี้แล้วก็น้อมจิตของเราใครเป็นผัวใครเปอนภตรยาเราก็จะทะเยอทะยาเนเรื่องนุ่ง ว่างวัดคือจักตัวนาตาแล้วเอาจะดิน้นรนไปทําไมล่ะเนี่ยเห็นว่าอนาต า, าแล้วก็ไม่ดิน้นไม่ร้อนแล้วก็หนึ่งใช้ดูมันอยู่ผู้ ด, ดูนั่นผู้รู้นั่นมันได้เป็นอะไรผู้รู้มันอยู่อย่างนั้นเอาไปยึดเัาจริงนันเริงนี่มันเป็นตัวมันเลยจะเป็นทุกข์อย่างนี้ยอย่าไปยึดเอาอย่างนี้อ่างนั้นก็สําคัญอนาตา นน เ, เลืจัดมันแม่แท่งเรงโดจิตของเราสองอบเจ้าคือลกแล้วนอนเคว่านอนฟังก็ได้ด้วยเรื่องของอนาตตามีเพงโอ้วันนี้เองคืออนาตานาตาได้มีจิตคือแต่กนเอาติจะเตินไปไม่ยึใน บ, ง บ, บงใังคับบัญชาใคทั้งนัยังจะมในอนาตตาจะเป็นได้กเป็น มายึในบังคับบัญชาผู้ใดทั้งวัดแล้วก็ตั้งตั้งสติเส้นจ้องดูมันนี่ดูมันเต็มพอจิตสงบแล้วมันหายแล้วจิตนี้มันจะยึดจะถือหัวหน้าตามันวางเมื่อมันละมันวางเไปแล้วพอจิตสงบมันนิ่งนี่แล้วมันไม่มีอะไรจิตนิ่งไปแล้วมันหมดพอจิตนิ่งหมด นี่เราจะไปตะคุบกันนู้ไปตะคุบกันนี้นองี้ยเงี้ยไม่ได้เ่าไม่รู้จักหน้าตาเจ๊วัดเป็นโตเป็นตนหรือว่าตนเจ็บตนโกรธว่าหัวใจงอนว่าหัวใจนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมุนเวียนอต่มันหลงมือตื้นหน้าตามันจะหมุนได้ก็ตามได้เป็นก็ตามวางต่อยมดไล่มดพุทโธเป็นผู้รู้เดียวเนั้นนะกว่อสาคัญ นี่เป็นงานนี้ให้พาไปเติมเลนดูมันเนี่ยนอนเสื้อมันลงในตวงเราอันนี้มันจะปืนอันนี้ยิบเอายานี้ใส่ก็ได้นะไม่ต้องใส่น้ำยึบอมก็ได้เนี่เอายาเนี่เป็นลม็ะยิบปักบตรงปากึันเลยไม่ได้ยานี่หามรืม่งนี้ได้นี่มันได้ะปยิบปักบจีปากมันผมขืนเข้าไป ถ้ามันจะเป็นลมมาจักบ่านะเขาจะยางๆกันล่ะผมอมนจากนอนแล้วบอกไปนอนหลายละเมื่อเส้นทางคือทำนดบแน่ <c oughs> อันหัวใจแล้วไม่สงบมันยังมันยังนอนไม่หลับ อย่าไปปรุงไปแกงแม่หันอย่าอย่าไปคิดไปนึกกันนะอันนี้้ดยใจมันนิ่งออกมาเมาื่อรับแล้วเราไปปรุงซ่านมันจะปรุงไปแกงเยอะอันนั้นมันพาเสียวางสบายสบายเมล่ ก, ก็ตามทําใจสบายหายใจสบายมันก็รับอ่ะมันสมาธิทําใจตั้งมั่น มันตายแม่ละเะกูตายแม่ยังตายแม่เนี่ยกูตั้งใจตั้งมันเนอะต่มันเที่ยงไวจะตายเนี่ยกับบังหัวใจกันแม่ฮนี่หัวใจมันเที่ยงไม่งบวตายเลหัวใจมันหู้อยู่มันสะตายอย่างมะกวตายก็บวตหู้ก็หู้จะตายอย่า